สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยเก้านาซาเลตปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเยซูพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที 6, ่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกมาระโกบทที่หกข้อที่หนึ่งถึงข้อที่หกโปรดฟังพจนะของพระเจ้าฝ่ายพระเยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตําบลบ้านของพระองค์ แต่เหล่าสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นนั้นมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหาสัรย์อย่างนี้สําเร็จได้ด้วยมือของเขาเองหนอคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีมิเชืหรือ ยอกอบโยเซฟยูดาสและซิโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือคนหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้เผยพะระชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์จะกระทําการมหัสจร่์ที่นั่นไม่ได้เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรค พระอง์ประหลาดใจเพราะเขาไม่มีความเชื่อปีอปน้องขับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับมีนัยยะสําคัญมากกับชีวิตของเราทั้งหลายเพราะเหตุที่ว่ามีบางคนไม่มีความเชื่อนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับว่าขณะที่พระเยซูเสด็จไปที่นาซาเล็ตที่นาซาเล็ตนั้นในพระองค์ผีเรียกว่าเป็นตําบนบ้านของพระองค์ หากดูแผนที่นะครับเราจะรู้นครับว่านาซเลสนั้นอยู่ห่างออกไปทางใต้32กิโลเมตรซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันครับนาซเลสในสมัยโบราณ น, นั้นเป็นเมืองเล็กๆนะครับเป็นเมืองเล็กๆ เ, เป็นหมู่บ้านเล็กๆในแถบเนินเขาต่างๆที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาจอแดนและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมัตทิวและโมโร็โกก็ไม่ได้รับบุว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนแต่ ร, รู้ครับว่าคือนาซเรสครับ ในสมัยปัจจุบันนี้นาชเ็สกลายเป็นเมืองใหญ่มากนะครับเพราะที่ว่านาัชเลสนั้นก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในการเดินทางของผู้คนซึ่งไปจาริกนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นการเดินอยู่ในดินแดนแห่งพัททายาและเมืองที่น่าสนใจเมืองหนึ่งครับก็มีนัชเลสครับแม้ว่าพระเยซูจะทรงบังเกิดในเบรเดนก็ตามครับแต่พระองค์ใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอด30สิปีแรกที่นัชเ ครับโยเซฟซึ่งเป็นบิดาของพระองค์มีอาชีพเป็นช่างไม้ในสมัยก่อนนั้นลูกจะต้องเรียนรู้อาชีพของผู้เป็นบิดาและรับบารดกความเป็นอาชีพนั้นใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านจนถึงถึ ง, ถงอายุสามสิบปีในนักเขียนนะครับคนหนึ่งชื่อเัสตินมาเธอเขาอยู่ในศตวรรษที่สองเขาเขียนอ้างถึงพระเยซูว่าพระเยซูทรงเป็นช่างไม้ที่นาสลต ตรงทรงทำคันไถและก็แอกเพราะฉะนั้นโรงทรงรู้เรื่องแอกเป็นอย่างดีแอกนี้ทำาดยไม้คันไถก็ทําดยไม้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่พระเยซูสอนว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราสแสดงว่าพระเยซูมีความคุ้นเคยนะครับในงานของช่างไม้ซึ่งจะต้องทำแอกเป็นอาชีพพี่น้องครับเรื่องที่มีเน้อสคัญตรงนี้ก็คือว่า พรัมภีได้บันทึกว่าชาวบ้านนะครับในธรรมศาลาปหลัดใจเพราะเหตุที่เขาได้ยินคําสอนของพระเยซูนะครับแต่ไม่มีความเชื่อไม่ยอมรับเพราะเหตุที่พระเยซูทรงเป็นเด็กหนาวชาวนาสเลับที่เติบโตชาวบ้านชาวเมืองนั้นในหมู่บ้านก็รู้จักพระเยซูว่าเป็นใครนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่บันทึกอยู่ในพัมภีตอนนี้ก็คือว่า ในข้อที่สามครับพ่ะบิีาเขียนไว้ว่าคนนี้เป็นช่างไม้บุตรนางมารีไม่ใช่หรือนะครับบุตรนางมารีไม่ใช่หรือไม่ได้เอ่ยชื่อโยเซฟครับเพราะเหตุที่ว่าเป็นไปได้ครับที่โยเซฟอาจจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นและเสียชีวิตเป็นนานแล้วด้วยครับและเปเรียซูเป็นที่รู้จักกันนะครับว่าเป็นบุตรของนางมารีในขณะเดียกันครับพระเยซูก็มีน้องชาย น้องสาวด้วยน้องชายสี่คนครับก็คือยากโอบโยเซฟยูดาสและซีโมโนและยังมีน้องสายคนหนึครับก็ยังอยู่ที่นาซาเลตเช่นเดียวกันพี่น้องครับนั่นหมายความว่ามารีเองนะครับซึ่งเดิมเป็นหญิงพมจารียังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลยนะครับก็มีบุตรชื่อพระเยซูหลังจากนั้นครับมารีกับโยเซฟก็ได้อยู่ร่วมกัน หมายความว่ามีความสัมพันธ์นะครับทางเพศและในที่สุดก็มีลูกเพิ่มขึ้นมาอีกห้าคนครับแสดงว่ามารีนั่นไม่ได้เป็นหญิงพรมจารีตลอดกาลนะครับเหมือนอย่างที่บางนิกายก็ยกย่องหรือเชื่อว่าเป็นพี่น้องครับนี่คือประเด็นแรกที่ผมอยากจะเรียนให้พี่น้องทราบนะครับประเด็นที่สองคือประเด็นที่เยซูกล่าวในข้อที่สี่ครับก็คือผู้เผยโรชนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในเมืองของตน เพื่อนับถามว่าทํำไมผู้เผยพระชนะไม่ได้รับการนับถือครับเพราะเนื่องจากว่าบางครั้งนั้นเบื้องหลังนะครับภูมิหลังแบ็กกราวด์หรือตลอดจนนิสัยส่วนตัวครับนะฮะนิสัยส่วนตัวทําให้คนไม่นับถือเป็นไปได้ครับที่คนนั้นดูถูกเบื้องหลังภูมิหลังของพระเยซูว่าไม่มีการศึกษาเป็นลูกของช่างไม้ธรรมดาและ ทำไมคนคนนี้ได้คิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเขาอนุมาลเอาเองหรือเปล่าเขาทึกทักเขาเองหรือเปล่าเขาเมาเขาเองเปล่าแลรัศดีปัญญาแบบเนี้ยได้มาจากไหนเพราะว่าเห็นครับเบื้องหลังว่าอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือมากไม่ได้เป็นสํานักของเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่มีชื่อเสียงพี่น้องครับพระเยซูปเป็นเพียงช่างไม้นะครับธรรมดาธรรมดาที่เป็น ลูกของพระเจ้าผู้สูงสุดใช้เวลาสามสิบปีอยู่ที่บ้านสิ่งที่ชาวบ้านตอบสนองนะครับชาวหมู่บ้านนาทเรศตอบสนองก็คือว่าเขาขาดความนับถือเขาไม่นับถือครับในขณะที่พระเยซูจะทรงทําการอัศจรรย์นะครับใหญ่ๆก็ไม่ได้ครับสั่งสอนมากๆก็ไม่ได้ในข้อห้าบอกว่าพระองค์จะทรงกระทําการผาสัจจันที่นั่นไม่ได้ เว้นแต่ได้วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคและพระเยซูก็ประหลัดพระทัยครับว่าทำไมเขาถึงไม่มีความเชื่อเพื่อนครับจากความไม่เชื่อของคนเหล่านี้นี่เองนะครับเนื่องจากภูมิหลังต่างๆหรือการรู้จักพระเยซูนะครับในลักษณะของการที่ไม่เข้าใจว่าพระเยซูมาเพื่ออะไรเพราะอะไรไม่เข้าใจสถานภาพของความเป็นพระเจ้าของพระเยซูในการเดียวกันะครับ จากตรงนี้เองทําให้คนเหล่านั้นอดหรือไม่ได้รับสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ไม่ได้รับคําสอนเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากครับพี่น้องพระเยซูเสด็จไปยังตําบลของพระองค์แต่เขาไม่รับครับจริงๆพระเยซูเสด็จกลับมาในฐานะรับบีผู้สอนนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วพระองค์เป็นที่รู้จักของประชาชนในแคว้นยูเดียและกาลิลี มีสาวกมากมายรวมทั้งอัครสาวกสิบสองคนด้วยน้องเห็นไหมครับประชาชนมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียกยรุงเยเซมเอโดมคุลาฟากของแม่น้ำจอแดนแม้แต่ไกลถึงเมืองไทราไซดอนที่อยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็มาฟังพระองค์ครับแต่เป็นสิ่งน่าเสียดายมากคือชาวบ้านนาทเรสไม่ได้รับผ้าผ่อนจากเรื่องนี้เพราะเหตุที่ว่าเขาไม่เชื่อนะครับ การไม่ยอมรับพระองค์ไม่ยอมรับว่าพระองค์มีความรู้ในพระคัมภีร์นะครับเป็นเหตุที่ทําให้เขาสะดุดและเป็นเหตุที่ทําให้เขาไม่ได้รับพระพรไม่ได้รับความพรอดพี่น้องครับยากรบน้องชายของพระเยซูนะครับที่ได้เอ่ยชื่อตรงนี้คือผู้เขียนพระธรรมยากบในพระคัมภีร์ใหม่ครับยากบผู้นี้ยังได้สืบทอดตําแหน่งของเปโตรในฐานะผู้นําที่ดจจีจากในยูริเซลมด้วยในสมัย ในเวลาต่อมาครับสำหรับยูดาสนะครับก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่เขียนพระธรรมยูดาสส่วนซีโมนโยเซและน้องสาวของพระองค์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในที่อื่นอีกใ น, นพระมัพีใหม่ใช่ครับเราเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นแบบอย่างกับน้องของตัวเองนะครับยากอบและยูดาสทั้งสองคนมีความเชื่อในพระเยซูครับแม้ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมากับพระเยซูแต่เขาเห็ น, นะใช่ไหมครับว่าพระเยซูนั้น เวลาที่รับบัพตมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วขึ้นจากน้ําแล้วพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูก็ได้รับใช้พระเจ้าปณิบัติมวลชนและน้องของพระเยซูทั้งสองคนได้เห็นว่าพระเยซูนะครับเป็นใครและได้เชื่อถือในสิเทียมนาจของพระองค์นะครับแม้ว่าคนบางคนในหมู่บ้านของพระองค์ ก็ยังไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าการที่พวกเขาไม่ยอมรับครับทําให้เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องมัทธิวบทที่สิบสามข้อสิบแปดระบุว่าพระเยซูไม่ได้ทรงกระทําการอัศจรรย์มากในเมือง น, นั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อพี่น้องครับอย่าลืนครับว่าความเชื่อของยารัสทําให้ลูกสาวเขาเป็นเรื่องใหญความตายนะครับเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูจะกระทําการอัศจรรย์ที่หนาสเร็ดเพราะในเมื่อพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ให้พระองค์อยู่ด้วย นะครับมารกโกบันทึกแค่ว่าวางพรหัสถูกต้องคนเจ็บคนป่วยบางคนบางคนเท่านเองที่หายโรคพระองค์ก็ประหลาดทัศนครับเพราะเขาไม่มีความเชื่อใจที่ไม่มีความเชื่อนั้นหมายถึงการมีจิตใจแข็งกระด้างครับในที่สุดพระพรหรือการอัศจรรย์หรือการรักษาโรคหรือรสิ่งต่างที่น่าจะเกิดขึ้นเขากลับไม่ได้รับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเพราะเขาไม่มีความเชื่อและสิ่งที่ทําให้เขาไม่มีความเชื่อก็คือ เขาไปให้ความสําคัญกับเบื้องหลังบางอย่างของพระเยซูเรื่องของความเป็นคนเล็กน้อยนะครับเป็นคนต่ําต้อยแล้วก็ดูถูกดูแคลนช่างไม้ลูกของช่างไม้นะครับขอบคุณพระเจ้าครับที่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เรามีความเชื่อแต่เมื่อเรามีความเชื่อนะครับเราหงายชามของเราออกเมื่อพระพรจะหลั่งลงมาจากฟ้าสวรรค์ เหมือนกับฝนนะครับเหมือนกับในเพลงที่บอกว่ า, าพระพรลงมาดังฝนทั้งหาครับแต่หากว่าเมื่อฝนตกแล้วเราไม่หงายชามเรากับคว่าชามของเราเราคงไม่ได้รับพรครับชามนั้นท่านก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าเราจะเปิดใจหรือปิดใจนะครับเราจะหงายคว่ำหงายชามหรือคว่ำชามเราจะมีความเชื่อเปิดใจนะครับรับพระพรของพระองค์อย่างไร ขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน